นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมายบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทานาานะไม่ศีลละไมยและภาวนาไมายอะไรเป็นทานนะไมา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 ให้รู้สิว่ากายวัตวจีวัตมนวัตรเราต้องออกกายเราสิเป็นที่ตั้งเป็นเหตุแห่งบุญเอาวาจาล้วเป็นที่ตั้งเป็นเหตุแห่งบุญสิใจล้วเป็นเป็นเหตุแห่งบุญสิคาว่าทานนะไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานเราทานเนี่ยเราเออกกายเราทานนะ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 เราตัดสีเสาเป็นทานมากกว่าพะเพ้าในผลในป่าหิมะพานนี้อีกพิสูจทั้งหลายเนื้อหนังมังสังที่เราแยกออกเป็นทานนกับสรพพสัตว์เนี่หนายิ่งกว่าแผ่นพระสุทาอีกพระพุทธเจ้าตัดกับพระพิสูจทั้งหลายอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะว่าฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะอยากจะพี่จะเพึ่อเถียงนะ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 นี่แหละคือทานทำไมเราบำเพ็ญทานอยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่ทานต่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ได้ควักลูกกระตาทานไม่ได้ตัดศีษาทานไม่ได้แล่เนื้อหนังออกเป็นทานเรายังมานั่งฟังด้วยจิตด้วยศรัทธาความเชื่อมัน่นปาษาทา่าความเลื่อมใส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 ศีลแปลว่าอะไรแปลว่าสงบศีลแปลว่าสะอาดอ่ามันจะสาเร็จอยู่ที่ไหนบุญมันเป็นศีลเราถามกายเราสิเรานั่งฟังอยู่อันเป็นทานน่ะไหมเอ้กายของเราเนี่ยก็สงบนี่เมื่อสงบเป็นปกติในการฟังอยู่กายด้านขวเป็นศีลเป็นปกติกายเราไม่ได้ข่าสาัตรูไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดอะไร กายแล้วก็เป er oh ็นศ <Kenneth> <England> ีลอีกแล้วอย่างนั้นศีลละไม่ก็อยู่ที่กายเราออกไม่ใช่เหรอแล้วจะไปถามหาศีลละไม่อยู่ที่ไหนอีกบุญสาเร็จแล้วด้วยการรักษาศีลอย่างนั้นทานละไม่ก็อยู่ที่กายเราศีลละไม่อยู่ที่กายเราแล้วภาวนาไม่จะอยู่ที่ไหนอีกภาวนาแปลว่าการเจริญ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 อย่าพึ่งตำหนิหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้เด้อเดี๋ยวจะเอ๊ะหลวงพ่อหลวงตาเนี่เอามะพ้าวมาขายสวนฉันฟังมาจนหูจะแตกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอย่าอยาพึ่งพูดนะอย่าพึ่งตำหนิเธ อ, อะอก็ถือว่าเอามะผ้าวมาขายสวนก่อแล้วกันนะแล้วทําไมจึงบอกว่ากายวัต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 หูพระกันจมูกพระนาศิปากพระโอดฟันพระทนลิ้นพระชีวหาใบหน้าก็เรียกว่าพระพักรวมทั้งหมดก็พระเศียนคอก็พระสอท้องหน้าอกก็พระอุลาเขียนก็พระกรมือพระหัดจนถึงเท้าก็ยังเรียกว่าพระบาทรวมหมดทั้งกายก็พระวรกายวัดในของเราก็มีแต่พระไม่ใช่เหรอตัวเรามีแต่พระเต็มไปหมด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 เพราะตัวเราไม่แต่พระเอาพระไปทำมนทิ้นที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบาปหรือเป็นบุญหนอลองถามดูสิเมื่อเอาไปทำในทางที่ผิดเน่ะบางทีก็เราไปฆ่าเขาซะไปทำลายเขาเสียเข้ามาทำลายลรวเบียดเบียนกันนั่นก็สินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเห็นไหมเอาแม่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 อะไรเป็นสงก็คือธาตุสี่มหาพูดธรรมมหาปฏาปีธรรมหรรมหานาทีพระพายพระเพิงพระธาตุทั้งสี่มารวมกันจึงเป็นก้อนพระธรรมคือกกยใขรเป็นผู้ให้ผู้ตั้งเป็นผู้ประชุมประชุมพระทั้งสีน่นี่คือพราะอารหันต์สองพระองค์คือพระบิดาและมารดา